น, นี่ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ขอโอกาสได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมคนเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องของกายเรื่องของจิตกายจิตมันก็มันเหมือนกันนั่นแหละประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราจรึงสามารถที่ไปใช้ร่วมกันได้ก็อขอให้ลองเอาไปพิจารณาดูนะพูดหลายครั้งก็พูดอยู่เรื่องเดียว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 หลักทำคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่องการช่วยตัวเองเป็นหลักอ้ อ, อนวอนนี่ไม่ใช่พุทธศาสนานะอธิษฐานนี่ต่างกับอ้อนวอนนะอธิษฐานนี่จิตตั้งมั่นอธิษฐานบา ร, รมีไงจิตตั้งมั่นส่วนอ้อนวอนนั้นบางทีไม่ทำนะแต่ขอให้ได้ซึ่งไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาสาระสําคัญก็คือมีเรื่องเดียวสละสติเนี่ยจะช่วยตัวเองได้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 อย่าไปติดในสิ่งที่รู้นั้นจิตมันก็จะผ่อนคลายและเราจะรู้ทาไมสงสัย <laughs> เราจะรู้สึกตัวไปทำไม <laughs> ก็รู้เพื่อป้องกันความหลงนะทุกครั้งที่รู้สึกเนี่ยความหลงมันก็หายไปถ้าไม่รู้สึกตัวความหลงก็เข้าแทรกสองสภาวะเนี่ยมันรอกันอยู่ถ้ารู้แล้วมันก็จะไม่เกิดความหลงถ้ารู้ต่อเนื่องกันานานจิตมันจะตื่น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 แล้วก็การเคลื่อนไหวในหลวงพ่ะ theon เนี่ ย, ย, นนยการเคลื่อนไหวเนี่ยการพลิกมือยกมือสิทธิจังหวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบรูปแบบเอาไว้ให้ใหสติเนี่ยระลึกรู้เอาไว้เป็นที่เกาะเป็นที่อยู่ที่รู้ที่อาศัยเป็นเครื่องหมายให้สติให้จิตเนี้ไมได้สังเกตคําว่ารูปแบบนี่อย่าเข้าไปติดนะถ้าติดมันก็ยังทําให้เราหลงได้รูปแบบมีไว้ให้อาศัยระลึกรู้เท่านั้น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 เขาเดินจงกรมอยู่ที่บ้านเดินอยู่ที่หน้าห้องน้ํขาขณะเดินจงกรมอยู่กะตั้งใจว่าหนึ่งชั่วโมงเดินจงกรมเสร็จก็จะนอนหนึ่งชั่วโมงพอเริ่มโดนได้สักเที่ยวเดียวน่ะจิตเริ่มเฉยใจแล้วได้ยินเสียงน้ําหยดแม่แม่ในห้องน้ําเดินออกจากลานจงกรมไปปิดน้ําแล้วเข้ามาเดินใหม่นึกขึ้นได้อ้าวเนี่ยมันหลงไปปิดน้าแล้วมาลุยตัวทีก็มาเดินจงกรมต่อรอบที่สองสังเกตไหม มันชอบเฉยเยคือปัญหาเรื่องยี่หนอกจากกา ร, รตรรสมาติมันจะขยันตอนนั้นอ่ะอีตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขยนันเรื่องนู้นก็ยังไม่ไทำํำอันนี้ก็ต้องทําตอนที่ไม่เดินจงกรมไม่ได้คิดหรอกแต่ประเดินจงกรมแล้วคิดอันนู้นก็ต้องทําแล้วก็เผลอไปทําก็เรื่องนิดหน่อยบางทีไม่น่าทํามันเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ปิดนะแล้วกลับมาเดินจงกรมต่อก็มีนะมัน้ลยเปิดทําไมนี่ขนา ม, มีรูปแบบนะนี่ผมก็เคย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 มันเข้ามันลึกเกินไปแล้วเนี่ยมันต้องออกไปหน่อย จ, จะได้เสมอกอารอ้าวพลิกตัวไปดึงอีกแล้วก็รีบมาปฏิบัติต่อกลัวจะไม่ได้ปฏิบัติดึงมาขั้นที่สองขั้นสามดูเอสสามบาล น, นี่บานกลางมันตรงไอ้บานนู้นมันไม่เท่ากันมันวุ่นวา ย, ยู่กับหน้าต่างต้องนานจึงรู้ตัวว่าอ๋อนี่รเราเผลอเพราะโดยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันไม่ชอบทําอะไรซ้ําๆพอทําอะไรซ้ําๆนี่มันจะเบื่อละหาต่างเลิกหาต่างออกนะสังเกตไหม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 ไปสังเกตการพอตอนบ่ายๆเนี่ยมันก็จะง่วงพระครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอา้าวถ้าใครง่วงเอานอนท่าสรีหัสย่าดให้นอนท่าสรีหัสย่าดเอาทุกคนลงนอนแบบพระนอนอะ่ะตะแคงขวาตอนแรกก็ทำท่าศรีหัสย่าดดีหรอพอเผลอหลับปั๊บหงายท้องเป็นผีไรา ย, ย่าดไปเซึ่งสมัยนี้เนี่ยคงจะทําไม่ได้หรอกนะถ้าการปฏิบัตินี่มันง่วงมากๆ ม, มันหมือจริงเนี่ย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 หลายคนสลับคนที่มีโรคประจำตัว <c oughs> คนที่ฝึกเตรียมตัวเอาไว้ <c oughs> เวลาไปไหนไม่ได้เอาทุกขเวทนาเป็นเพื่อน <c oughs> เป็นเครื่องรู้ไม่เป็นเครื่องอยู่นะทุกขเวทนาเป็นเครื่องรู้ดีกว่าถ้าเป็นเครื่องอยู่ก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับเขาถ้าเป็นเครื่องรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นแค่ผูร้รู้ไม่ได้เข้าไปเป็นผมเนี่ยมีโรคประจาตัวจะว่าเป็นความผิดปกติของร่างกาย ทุกเวทนาเนี่ยจะมีอยู่เป็นประจําอาการที่มันเหน็บชาตลอดทั้งตัวอาการที่มันอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกอาการจุกแน่นเนี่ยเป็นทุกขเวทนาที่ถ้าละลึกรู้เมื่อไหร่แล้วก็เห็นทันทีเลยบางครั้งไม่ได้ไปดูอะไรดูทุกขเวทนาตัวเองเนี่ยทันทีเห็นทันทีถ้ามารู้กายปั๊บเจอเวทนาทันทีตื้อสัตว์มาคนที่มันรักเรามันก็อยู่กับเราอย่างนี้ พอ ล, ลึกรู้ปั๊บเจอทุกขเวทนาทันทีเลยไม่ต้องเคลื่อนไหวกายไม่ต้องไปสังเกตอะไรสังเกตเวทนาตัวเองมันเกิดทันทีแต่ก่อนหุดหดพยายามหายามรักษาหาหมอรักษาทานยามันก็ไม่หายไม่หายก็ไม่เป็นไรแล้วแทนที่จะไปรังเกียจมันเอามันเป็นเครื่องลึกรู้ซะรู้ในเวทนามันก็เป็นฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกัน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 ถ้าจับาเราล่องโอยเนี่ยหมอนวดจับใหญ่เลยถ้าเราถูกเส้นกดใหญ่เลยเราทำเฉยๆรับทนไม่ได้ทำยิ้มๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยเทคนิคในการไม่ถูกนวดนานถ้ายิ่งกดล่องโอยเนี่ยมากูกี้เลยกดใหญ่เลยถ้าเราทำเฉยๆยิ้มๆมันเจ็บดีนอเนาะเดี๋ยวเขาผ่านเลยใจแล้วก็เหมือนกันเมื่อเจอทุกขเวทนายิ้มๆอยู่ข้างในบ้างสิมันทําให้ทุกขเวทนาลดลงไปได้ใจก็ดีไหมมันเกิดปัญญา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 แล้วก็มีขันติมันตื่นรู้ในทุกได้เลยสติตื่นรู้ในทุกไอเดียมันก็เปิดปัญญานะปัญญาเห็นอะไรมันเห็นความคิดต่อจากทุกขเวทนาคนที่หาจิตไม่เจอเนี่ยไม่ยากหรอกลองให้มันเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วสังเกตดูเถอะเดี๋ยวจะเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งจิตที่มันคิดปรุงแต่งต่อจากทุกขเวทนานี่ยมันชัดเจนมากมันดิ้นรนมันอยาก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 เขาบอกว่าทุกตรงๆก็บอกมาแต่เรื่องของจิตเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็ต้องละมันเรื่องของจิตเป็นเรื่องของกิเลสที่มันเข้ามาปรุงแต่งรู้ต้องละเรื่องของกายต้องช่วยเหลือแต่เรื่องของจิตมันต้องละเพราะจิตเนี่ยมันชอบเจฉยายตามใจกิเลนต้องละมันเนต้องรู้ให้ทันตัวเราและสิ่งเหล่านี้ใครจะบอกเราได้เราต้องปฏิบัติตัวเองต้องช่วยตัวเองนักปฏิบัติธรรมเนี่ย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 บทธรรมคำกรอนของท่านอาจารย์จี้กงจะได้ทามาท่องให้ฟังออดีเนี่ยคำกรบทนี้เนี่ยน่าจะมาเผยแผพร่ถ้าจารย์บอกว่าศึกษาธรรมมากครูก็มากความพยายามศึกษาจิตสัมฤทธิผลรู้เท่าทันให้ได้ซึ่งใจตนความสับสนก็มาลายหายไปเองศึกษาธรรมมากที่ก็มากคิด